อายาอย่นอนหลายวันนี้เป็นวันที่สองก็เดือนมกราคมไม่ใช่วันที่นะเป็นสอนเมื่อคืนี้พูดถึงอรหันต์แล้วใช่ไหมต่อไปมีอะไรอ่ะก็แกตต่อไปก็ลมอเลยจะที่ไปถึงที่สุดนี่นนะถ้าเป็นว่าวันนี้ต่อขอพูดเพื่อความพอใจในตอนต้น คว่าตอนต้นหรือตอนสุดท้ายก็มีความไม่ก็เหมือนกันคือหลงของจิตแต่ก่อนนี้พูดถึงรลงของจิตขอเริต้นเลยทีเดียวก่อนว่าการเรื่องพระธรรมฉานตามที่พระโบราณอาจารย์นั้นสอนกันมากรักสอนมาตามนั้นก่อนที่จะภาวนาอันดับแรก ถ้าไม่รู้ลมหายใจเขาออกก่อนพราะจากลมหายใจเขาออกได้ทรงตัวถ้าให้พิจารณาก่อนการพิจารณาที่ท่านถือเไม่เรื่องสําคัญอันดับแรกจริงๆท่านอยให้แนะนํำพิจารณาได้ขั้นต้นคู้เขาเรีายกตราญานแบบอ่อนซื่งตร า, ายานแบบอ่อนก็คือว่าเห็นว่าร่างกายเรื่อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมใช่เนี่ย นักตาไม่นักยายให้พิจารณาเรา่องางกายดูแหวนจังเปของไม่เที่ยงวันนั้นเพื่อทำว่าไม่เที่ยงเราสังเกตดูว่าอะไรมันไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงผนก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงเนื้อก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงหมดเมื่อเราเป็นเด็กยังไม่ถึงสภาพอย่างนั้นแค่ดูคนแก่ คนแตะตัวลงไปผมผมก็เปลี่ยนสีอันดับแรกเริ่มด้วเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็ขาวฮะต่อไปก็ผมหงอกเี่ผมไม่เที่ยงทีก่การหนึ่งผมยังไม่หงอกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าผมเที่ยงจริงๆมันจะมีความพอดีเท่าที่เราต้องการแต่ถ้าเราปล่อยไปนานๆมันก็ยาวเกินไปมันก็ไม่เที่ยง อันที่สุดล้วก็ตัดแค่พอดีเห็นว่าพอดีแล้วเราชอบใจไม่ช้าวันยาวใหม่อันนี้มันก็เป็นเที่ยงเหมือนกัน <c oughs> ทุกขังในเมื่อสภาพวุฒิชาโลกเป็นทุกข์ืัวเขงไม่เที่ยงแต่เราเราคิดว่ามันเที่ยงถ้าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นความร่ารรอนใจเกิดขึ้นความทุกข์ใจเกิดขึ้น <c oughs> อย่างเราคิดว่าถ้าเราเป็นเด็กเราต้องการเป็นหนุ่มเป็นสาว ความต้องการของเราสเสม็จผลเป็นหนุม่มหรือสาวแน่ถ้าความเป็นหนุม่มหือสาวปลายกดขึ้นเราก็ไม่อยากเป็นคนแก่ฝืนเท่าไหร่มันก็แก่าาก แ, กกแล้วความแก่เกิดขึ้นเราก็ไปทุกข์ายที่สุดกระึงหน้าตาคือสลายตัวเองออท่งานบอกว่าค่อยๆ ค, คิดอย่างนี้ไปเดีวกว่าจะหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยยิ่งดีใหญ่ อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสุขภาพปสัสกูลนะก <c oughs> ารยืพื้นฐากนการมาร ล, ลุมรรคผลก็อยู่ที่สุขภาพปสัสกูลนั่นแหละพื้นฐานใหญ่ <c oughs> ไปด้านเตโชด้า น, นอยากรู้อยากเห็นชาดวิญนโญอยากรู้อยากเห็นด้วยอยากไปถึงด้วยปริศนทิ่ทัปตัตโป็นคนฉลาด <c oughs> รู้ระพรอบ รวมความอันับแรกทุกคนรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายารู้สั้นหายใจออกยารู้สั้นก็รู้อยู่อย่างนีเป็นแบบพู้มหาเทวฐานสุตขถ้าแบบผกรรมฐานสี่สิทต้องรู้ลมสามฐาน หายใจเข้าลงกระทบจมูกถ้ากระทบหน้าอ ก, กแล้วกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออกลงกระทบศูนย์เหนือศูนเหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือในมือปากมีข้อสังเกดถ้าเรารู้เรารู้ใจแค่หายใจเข้าแล้ ว, วลออกแค่จมูกอย่างนี้ก็เรียกว่าคณิกาสมาธิถ้า ร, ารู้ลึกไปถึงหน้าอก ลมกระทบหน้า อ, อกก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้อย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมรู้สามฐานโตจากจมูกด้วยนา อ, อกด้วยถ้าศูนเหนือสะดือด้วยทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้เป็นมรรคไม่ชันเข่าลงเนี่ยต่อไปถ้าชานสูงจริงๆจิตมีการทรงตัวจริงๆจะรู้ลมตลอดเวลา ก็เราห้ใจเข้ากระทบเรื่อยไปทุกจุดเหมือนก็ใช้นเป็นเส้นได้ยาลงไปเมื่อร้ายใจออกก็เื่อเรื่องก็ไหลขึ้นมารุ่มหมดยังไม่ได้จิดทรงตัวอย่า ง, ย, ง, งยิ่งแค่ทรงตัวดีมากเกลงความมืในตอนต้นก็ยังไม่ต้องทำเรื่องขนาดนี้เอาแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกการรู้ลมเข้าลมออกใ น, น, นท่เรียนาบานุสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมาก <c oughs> กรรมฐานที่ศาลที่ก้าวกองต้องขึ้นกับกองนี้ถ้าเราทิดลงมอะไรกรรมฐานก็อื่นก็สลายตัวมานั้นต้องถือลมเป็นสำคัญเพได้การจุดรู้รไม ใ, ใจเข้าขออกพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับเราฝึกม้าพยศความจริงจิตของเรามันมีสภาพ ะ, ะาัาภาษาไทย พุ่งสร้างชอบคิดชอบอ่านเป็นของธรรมดาแต่ได้อยู่ๆแล้วจะบังคับทำไมทรงตัวตอเวลาที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้เมื่อรู้ลมข้าวรู้ลมออกจิตสงบ ส, สักเสียวหนึ่งเดี๋ยวก็ไปคิดอย่างอืกก่นต่อไปอีกเผลอหรือทั้งๆที่ภาวนาด้วยก็จะมีการเผลอเ <c oughs> มืเ่อเผลอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเริ่มต้นใหม่ เป็นการสุธดธรรมดาอีกแบบหนึ่งพระเจา้าตรัสว่าให้ทําตนนกหัวคนฝึกมาตัวะยศความยิงมาปรพยศมันจะไปอยู่ในการบังคับบัญชาของเราเราต้องการไปซ้ายมันจะไปขวาถ้าเราไปขวาเราต้องการขวามันจะไปซ้ายเป็นต้นมบางทีเราจะให้วิ่งมันก็เต้นเสียถ้าจะให้เต้นมันก็วิ่งทําอะไรต้อแก่ ทำไงถ้าเราจะบรรคับมันอยู่แต่นั่งบนนัน่งบนมันจะเอาเราจริงๆท่านบอกว่าถ้ามันจะวิ่งกระป๋อยให้มันวิ่งไปถ้าก็กอดคอไว้มีหนึ่งเสี้วแท้ถ้ามันเบาก็ตีมันให้วิ่งต่อไปถ้ามันเหนื่อยก็ตีมันให้วิ่งต่อไปในที่สุดมันไม่สามารถจะวิ่งไปได้หมดแรงล้วไม่ถึงกับล้มนะ เราก็คงคับมันใจไปซ้ายไปขวามันก็ไปตามความความต้องการของเราทั้งนี้ก็อะไรเพราะมาสิ้นฤทธิ์ด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้เราไม่ใจเข้ า, เรารู้เราไม่ใจออกอยู่ตั้งใจจะทรงสมาธิคั้งห้านาทีเท่าสิบนาทีมันไม่อยู่เดี๋ยวที่เจ้าอื่นเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็เดี๋ยวก็ไปใหม่ จะเริ่มต้นใหม่มันเดียอะก็ไปใหม่หเฮ้ปล่อ ย, ยมันไปเลยถ้าสามครั้งมาอยู่ปล่อยมันไปเลยต้อว่าติดตามไว้อย่าทิ้งอันคือว่ามันจะคิดอะไรว่าเชิญคิดปล่อยให้คิดตามเรื่องราวจะออก น, นอกตุ้นอกท้าก็ช่างมันปล่อยคิดไปตามกำลังไม่ช้ามันก็สงบไม่เกินสี่พันนาทีมันก็สง บ, ส บ, สงบพอมันสงบปับ๊แเรวก็จับลมหายใจก็ออกใหม่ ถ้าภาวนาร่วมด้วยจะนี้ทรงตัวจะมีสมาธิทรงอยู่ได้นานนี่เป็นวิธีฝึกนะไม่ใช่ง่าย น, นะให้พูดยังไม่ยากนะแต่วันนี้ก็พูดยากเสียงไม่เคมีหมดแรงก็เป็นว่าวิธีฝึกตามนี้ท่านบอกให้รู้จักการยืดหยุ่ต่อไปก็ทำภาวนา ทำภาวนาไม้ใช่ภาวนาง่ายๆฝึกใหม่ๆจะใช้ยากถ้าใช้ทํานายาวๆจิตจะมีกังวลมากว่าผิดต้องว่าถูกบ้างปกังวลดังนั้นอารมณ์จิตเป็นกนังวลก็ไม่มีสมาธิต้องไม่ให้มีกังวลอย่างโดยมากพระอ ร, ะ ร, ะ ร, ะ ร, ะรหันตราณอาจารย์สลายภาวนาพุทธโธสองคำงา่ายดีให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกไม่ว่าโธ ถ้าทาถ้าทำอย่างนี้จิตจะไม่มีโวนง่ายๆถ้าจิตมันาพาดจากสมาธิเราก็เริ่มต้นใหม่เรื่องคำภาวนาว่าพุโทโธมีคุณประโยชน์ขนาดไหนวันนี้ก็ต้องเล่านถ่ายของเเนาะเฮ้ยดีไหมเล่าจนจบเลยก็ยังดีนะ <c oughs> ก็เรื่องเก่าๆถ้าย่าเรื่องใหม่ๆ ม, มาว่ามันยาวไป มันก็ฟังได้ผลยากอย่าลืมลว่าพวกเราเหล่าพุทธบริษัททุกคนมีความเคารพในพระเจ้าในประธรรมในพระอะรอยิยสงฆ์จริงรู้วจากการให้ทานู้จยกการรักษาศีลด้จักการเจริญภาวนาที่เราทำเป็นจริงใช่ไหมความจริงรู้จักอย่างนี้นะเป็นพระโสดาบันไม่อยากขยากเป็นพระโสดาบันต้องยกมือขึ้นที่สองทั้งคนนอกนั้นไปรบ เออไปหมดจาโยกเอาไปได้เลยจดชื่อไปถ้าโสดาบันเป็นไม่ยากก็แค่ชิ้นห้าเท่นั้นเองใช่ไหมชิ้นห้าแล้วก็สมาทานแล้วแ้ก็รู้แล้วมีอะไรบ้างเหลืออย่างเดียวก็ความไม่เอาจริงอีตอนเอานะ่ะเอาจริงปล่อยก็ปล่อยจริง นอะปลานาดีปาตาเวทม น, นีแมนะ่แต่ว่าจะกินตามหนองปลาบ่อเห็นไหต้องอาวุธโทนก่อนคําว่าพุโทโธเป็นพระนางพระองค์สมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพวกเรานับถือท่านจริงต้องถือพระพุทธเจ้าจริงต้องถือว่าธรรมจริงต้องถือพระอริยสงฆ์จริง บางครั้งก็ถึงสมบูรณ์บริบูรณ์บางครั้งก็หลดหายไปบ้างเป็นธรรมดาก็ยังถือว่ามีความดีอยู่มากแต่คนคนนึกถึงว่าเจ้าของพโทโดยที่ไม่มีความเครมารพกนแม่แต่พระเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านก็ไม่เคยยกมือไหว้บาตก็ไม่เคยใส่ที่ก็ไม่เคยฟังแต่พรก่อนจะตายนึถึงพระเจ้านิดเดียว จะฟังกันบ่อยๆนะในเผือคนข้า ง, งหลังคุณยกเป็ตัวอย่างให้เชือเขาไปตัวอย่างเขาป่วยหนักแล้วก็ตายก่อนจะตายเราคิดว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีสักทีก็ดีไม่สามารถจะช่วยเราได้เ <c oughs> ขานึกว่าพระสมณะโคดมใจดีมากมีเมตตาจิตสูงก็ไม่ไครพระเจ้ า, า, ามาช่วย เพียงเขานึกถือว่าพระเจ้าเท่านั้นไม่ช้าเขาก็ตายเพียงแค่นึกอย่างเดียวแต่ไม่ น, นึกจะไหวนะมนึกามาช่วยรักษานึกเอาใชายย้เลยนะอย่าดืม่มอย่างพวกเรายัางนึกบูชายช่นะมให้เขาไม่ได้บูชาเขานึกให้มาช่วยเขาให้หายจากโรคแต่ถึงกระนั้นก็ดีถ้าใัยบารมีพระเจา้าเขาตายจากความเป็นคน ก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดวงสเปรวิโลกมีวิมานทองคำไม่พยู่วมีนาฝฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารใช่ไหมที่ยพวกนี้ไปเป็นนาฝฟ้าไปแถวข้าวุฒิยังมีอีกคนนะ <c oughs> นัานเป็นแตเพียงคำนึกแต่ดีต่อมาพ่อของเขาไปร้องไห้เขาเขาเล่ารัดลัดนาที่สุดพ่อก็พบลูกลูกพระแดงภูมนเทวดา พ่อก็ถามว่าเจ้าไปเทวดาพราะอะไรลูกก็ตอบว่าอาศัยที่ก่อนจะตายก็มีความรู้สึกว่าพ่อก็ไม่ช่วยแม่ก็ไปช่วยซักต้มไก่ก็ไปช่วยช่วยไม่ได้แล้วนึกถึงวัสมนารโคมเมื่อนึกถึงเท่า น, นิดเดียวก็ตายอาศัยที่นึกถึงวัสมนารโคนเพียงเท่านี้ตายได้ไปเกิดไปสวปรรค์นหรือท่านเอาถึงเทวดาโลก นีมารทองคำาป็่อยู่ในานาคเป็นบริวารเขาจงแนะนำพ่ อ, ขอเขาก็นยีความจิงพ่ อ, ขอเขาไปตรามเขาเป็นครูสอนเหมือนกันเพราะว่าดัน บ, บนรรดาบดีไปกันไปขอพ่อกับแม่และทุกคนในบ้านในในขณะจงมีความโครในพระสัมมาณะโขดมจงยกมือไหว้จงใส่บาตรจงฟังเทศ เขาก็ไม่ได้บังคับเขาแนะนําเมื่อกระแดงเมื่อแนะนำจบเขาก็ออกไปบังกากับที่เดิมของเขาพอตาพรามกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านบอกวันนี้ทํากับข้าวมากๆขูดข้าวมากๆแกงมากๆเขานมมากๆแ ก, ก, กเรื่องพระสมณะพระฤาษี บ, บริวีวันเมื่อสั่งเสร็จก็ไปหาพระพุทธเจ้า อวลานั้คนก็กลายเปสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่นับถือพระพุทธเจา้าคนที่เขาเป็นอาจารย์ของพระามก็ติดตามไปคิดว่าวันนี้เราต้องการจะดูพระองค์ไปยั่าง ย, ยีพระสัมมาสัมคนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าก็ตาไปอีกก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะดูพระพระพระพะพระพุทธเจ้าทรมานตามคนนี้คนแตกเป็นสองฝูงใะ ต่างคนต่างก็ไปยืนดูกันในเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพร้พก็ธเจ้าเขายืนอยู่แล้วเขพูดว่าพระสมณะโคโดมความจริงคนสมัยนั้นถ้าเรื่องชื่อตรงๆก็ถือว่าไม่ยอมรับทับถียังถือตัวอยู่พระเจ้าระเบียดถามว่าสมพระแล้พระสมณะโคโดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตร <c oughs> เพียงนั้นเพงชื่อ ท, ท่านอย่างเดียว ตายได้ก็เกิดปุสวรรณามีไหมพระพุทธเจ้าบอกพระรามเถอโพธิ์ธรรธได้ตอนเช้าใช่ไหมใช่ไหมฉันรู้นะเมื่อเช้าเถอพธิ์ได้ใช่ไหมจ่อตํนะ า, านั้นต่อตอนนั้นไปท่านก็เรียกว่าตะกุนารีเท่บุตรหมาให้มาพร้อมทั้งวิมานไ <c oughs> ม่ตะกุนารีทั้งพร้อมทั้งวหมานก็ลอยบรรอากาศพาใกล้ที่พระเจ้าประทับก็ลงต่ำมนลงต่ำ พาวิมานถึงพื้นเขากล้าลงจากวิมานมากราพระพุทธเจ้าพระยาการส่งเทศตรวจมัตกุกุณรีเทบุตรไม่ได้ตรวจใครนะตั้งใจจะว่ามตาตุกุณลีเมื่อเทศจบมัตกุกุณรีเทพบุตรก็เป็นพระโสดาบันคนทั้งหลายที่ไปทั้งพามันด้วยก็กลายเป็นพระโสดาบันไปด้วยนี่เป็นว่าการภาวนาว่าพุทธโธจดจำว่ามัตกุกุณรีเทบุตรเขาไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้า แต่การเน้นนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นนึกด้วยความเคารพนึกอยากจะมาใช้ให้รสายหายโรคแต่ถึงจะาดนี้นก็ดีด้วยบารมีพรุทธเจ้าที่เราน้นถึงท่านก็สามารถเป็นเทวาดาได้เอ้ยอยา่างธรรมดาท่าพุทธบริษัททุกคน <c oughs> ที่นั่งอยู่ที่นี่นะท่าตมาไม่เลผลอคงคิดว่าทุกคนเครารพพระพุทธเจ้าใช่ไหม เดีใครไม่เคารพว่าตามใจเสด็จไม่ได้ว่าอะไรนะมีไหมีมานั่งไหมไปแช่ดูไปแช่หลับตาดูมีนหมทุกคนเคารพพรุทธเจ้าจึงมาเคารพพระธรรมจึงมาเคารพพระอริยสงฆ์จึงมาที่ทุกคนต่างคนต่างให้ทาน การที่ให้ทานได้จะอาศัยคำแนะนำของพระพุทธเจ้าท่านก็ทํ า, าทแล้วศีลเราเคยรักษาแล้วภาวนาเราเคยทําแล้วดีขึ้นมากดีวัจนุนารีเทพบุตรมากถาวรนาทพรพุทธริจัทจะไม่ลืมความดีของท่านพยายามภาวนาพุทธโธไว้เสมอให้มีการทรงตัว อย่าลืมนะว่าอารมณ์จิตมีสองอย่างอารมณ์ทรงตัวกอารมณ์คิดอันดับแรกจะอารมณ์ทรงตัวก่อนก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นึกถึงพระพุทธองค์ใดองค์หนึ่งสําหรับท่านที่ได้เปี ย, ค, ยคือท่านที่ได้มโนยินทิอนาคเชือปิญญาได้เขาเห็นท่านสวรรค์เห็นนุ่งพรมโลกเั็นท่นรกเห็นนุงนี้ปฏิพันธ์แล้วไปถึงแล้วถ้าไม่ลืมไม่ทิ้งเสียก็ปฏิพานได้แน่ ก็ท่านที่ยังไม่ได้อันดับแรกระตั้งต้นสวรรค์ไว้ก่อนพยายามน้อยที่สุดเราตายครา้นี้เราต้องไปสวรรค์ถ้ากำลังของเราดีเราจะไปพรมโลกถ้ากาลังดีมากยิ่งขึ้นเราจะไปนิพพานให้ท่านนี่เจ้ากระบาลอย่าอ่อนนะคนที่มีความเข้มคนและคิดอย่างเดียวพิณิพานอย่างเดียวไม่ต้องการจะไปไหนอีกมองรสโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ เทวดากับพงก็มีแต่วความสุขแต่ว่าสุขไม่นานเมนื่อเบื่อเสา็จมันมีเวลาเกิดใหม่เมื่วิธีที่จิตท่งตัวจะยังไง <c oughs> ไม่คือไม่ได้พูดแล้วว่าก่อนจะนอนก่อนจะหลับเมื่อศิษระถึงหมอนให้ภาวนาว่าพุโทโธตั้งใจนึกถึงพระเจ้าด้วยความหัวรบจะภาวนานานนั้นไม่นานจะจะบคัด บ, บางคนบอภาวนานเยเียวก็หลับ บางทีสองสามครั้งก็หลับได้ได้เกินน้อยเกิดไปอันนี้ไม่ถูกถ้าพอนานน้อยแล้วก็หลับยิ่งดีใหญ่พุทไม่ทันโทรหลักยิ่งดีมากที่สุดก็อะไรไหมว่าคนที่จะหลับได้จิตต้องสงบถึงว่าธรรมชาติดีอย่างน้อยถ้าจิตไม่ถึงชานจะหลับไม่ได้ไม่แต่คนที่ไม่เคยจะลองทำถา่ายก็เหมือนกัน จะถึว่าฌานเป็นของหนักมาจากไหนก็ความจรงมันมีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เราสงบเรจึงหลับถ้าสงบน้อยมันก็ไม่หลับถ้าสงบถึงฌานอย่างนอ้อยก็ะ้องมีฌานเป็นต้นจะนึกถ้าเราภาวนาไปเมื่อภาวนาไปให้จิตถึงฌานปั๊บจะตัดหลับ ท, ทันทีในขณะหลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาจะอมถือว่าจิตทรงฌานตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะไปแต่กําลังของฌาน แ้วเมื่อตื่นใหม่ๆก็สังเกตตัวเองว่าตื่นมาแล้วมันภาวนาหรือเปล่าถ้าต้องคับบางคั้งไม่ภาวนาก็แสดงว่าก่อจะหลักจิตจะเข้าถึงปฐมฌานหยากถ้าตื่นมาเต็มที่แล้วภาวนาเองโดยไม่ต้องมัดขับก็แสดงว่าก่อจะหลักจิตจะเข้าถึงฌานอย่างกลาง ตอนวี้พขึ้นหลักขึ้นเตียมันตื่นยังไม่สนิทมาสตาร์ทจะมเองเภาวนามาเองเลยอย่างนี้เขาขั้ชั้ละเอียดตอนนี้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนสัถ้าถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราสําคัญใจต้องภาวนาก็อนะดับต้องภาวนาใจบังคับเองตื่นใหม่ๆต้องภาวนานานนั้นไม่นานานาั้นมันมีความสําคัญเรื่เวลาอย่าตั้งให้ภาวนาด้วยความเต็มใจกันเล้กัน อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงฌานถ้าจิตมีกําลังทรงฌานแบบนี้ก่อดพี่ไร่ตายถึงแม้ทุกข์รวยตลอนนจะมากเป็นไดก็ตามอย่างน้อยที่สุดบันจะทรงอยู่เั้นขั้ น, นอุปจารสมาธิเป็นอย่างน้อยคือ <c oughs> ไม่เต็มกาลังของฌานก็เฉียดฌานถ้าจิตจดจงอยู่ในอารมณ์เฉียดฌานอย่างนี้ท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ไปที่เกิด จะเปิดสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ตามชอบใจถ้าบังเอิญิดขนาดนั้นเป็นชาญก็ไปสุมาโลกดูตัวอย่างเช่นใครวะเอาใครดีว่ะไห้วันนี่ไหมถ้าไม่เต่าบาสก์จะไอขวัเปลงใจมัน อย่างท่านทันติกาวว่าสกมีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงถ้าเวลาป่วยหนักไม่มีโอกาสจะพบพระก็ให้ลูกไปในมนฑลพระมาไปขอพระเจา้าไปขอพระจากพระเจ้า <c oughs> ขอให้มาสวดพระประวิคจะสวดบนยนเนีนย็นมาเย็นมันเช้ากส็สวดเหมือนกัน <c oughs> ก, ก็ไปไปขอพระเจ้าเจาก็ให้พระมาเออเอญให้พระอย่างดีจริงๆเลยคัดมาเลยก็ะอะไรนะทั้งหมดไม่ได้ที่กุญานเลยคัดตัวมาเลยเต้างนะอางค์ใหญ้ฝันตน้นพอมาถึงก่อนที่พระจะมาถึงเทวดาทั้งหกชั้นก็มานำรถพิษมาต้อมด้วยขบวน ถ้ามีขบวนเทพบุตรนางฟ้ามากมายแต่ละขบวนนะแต่ละคันรถแต่ละขบวนก็ชวนว่าฉันอยู่ชั้นจาตุมมหาราชฉันอยู่ทั้นดาวดึงฉันอยู่ชั้นยามาฉันอยู่ชั้นดุสิตเป็นต้นหกชั้นขอไปอยู่กับฉันเวลานั้นจิตจะไปโอจาระสมาธิถ้าจิตเป็นชาไม่จะมองไม่เห็นจิตจะเห็นได้ก็่เมื่ออยู่ในขันโอจาระสมาธิเสียงระเป็นเสียงแสบไปหมดพระมาท่านก็เห็น พระเริ่มสวดเทวดได้ยินเจเสียงเทวดากบเสียงพระแท่งกระลำคาญเสียงเทวดาก็ายกมือโบอกไปโบกมาเราหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนสองสามครั้งพงพี่เดจะดแตกใจวเอ๊ะให้เรามาสวดมนต์ดันให้เราหยุดแสดงว่าคนฟังไม่ตั้งใจจะฟังนั่งอยู่สักเดือนหนึ่งถ้ากลาตับไม่มีโอกาสชนะ เว่าเทวดาเมื่อพระกลับไปแล้วเทวดาก็เงียบเงียบไหม <c oughs> ถ้าใครจะหันมาหันหน้ามาอยากจะฟังพระสวดพระไม่มีี่ถามลูกพระไปไหนลูกหญิงลูกชายบอกพ่อห้ามพระเมื่อพระกําลังสวดอยู่พ่อยกมือห้ามชั้นชั้นก็ไปแล้วพ่อบอกฉันไม่ได้ห้ามพระฉันห้ามเทวดาเทวดากําลังพระส่งเสียงดังกรกเสียงพระ ฉันต้องการจะฟังพระสวดมนต์ให้ลูกหาพ่อเพอเห็นไหมให้ไปงี้นะคนตาดีคนตาบอดเป็นเหมือนกันพ่อก็เลยบอกว่าได้ ย, ย่างนั้นเอ า, อานี้ก็แล้วกันเอาภูอะไรมาพวงหนึ่งถามว่าเทวดาทั้งหกชั้นไหนชั้นไหนดีที่สุดน่าอยู่ที่สุดนี่ ก, ก็บอกว่าชั้นดูสิทธน่าอยู่ที่สุดถ้าโ ย, ยนภงมิอะไรไปคราะห์งอนรถของชั้นดูสิท ไอ้พวงอะไรเขาในอากาศไอ้ลูกเห็นพวงอะไรกากาศไม่เห็นเทวดาอีกกระลงความว่าท่า น, นเลยตายอย่างนี้เขาไม่จะตายการรังตวันววทีเวลาไปเท่องไปเช้นดูสินี่เป็นว่าถ้าทุกคนสามารถใช้จิตส่งฌามนมนตร์เล็กๆน้อยก่อนจะหลับภาวนายันหลับตื่นขึ้นมาภาวนาสักหน่อยหนึ่ง จนะทั่งทุกวันถ้าก่อนจะหลับถ้าไม่ได้ภาวนาจิตมีความลำคานต้องการภาวนาก็ภาวานาไปแต่การภาวนาก็งอย่าคิดว่าเราต้องใช้ในเวลาห้านาทีสิบนาทีอันนี้ไม่ถูก <c oughs> แล้วก็ไปเกณฑ์กาการหลับเกิดขึ้นมันจะหลับหรือไม่หลับเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องจิตใจถ้าภ า, น า, าวานาไปจะสองสามครั้งมันหลับก็ช่างไประไรดีพึงชาญ ่ารุดว่าพาวนาปุ๊บแม่ทันเลโทหลับ ก, ก็ยิงดีใหญ่ตื่นึ ก, กว่าจะภาวนาไม่ทัานภวลาได้หลักยิงดีใหญ่จิตเข้าชานเร็วเข้าชานเร็วนี่เป็นของดีแล้วเวลาตื่นใหม่ก็จะเรีนภาวนาพุทโธ อ, อีกพอเวลาสมควรไม่ต้องมากนักไม่ต้องไปต้องเวลาซึ้นจะมงค่อนจะวงไม่มีความจําเป็นา แ, แค่จิตสบายหรือบารักยังมาถึงจะต้องทํางานแล้วก็เลิกภาวนาไปทํางานต่อไป โครงวามแค่พุทโทเท่านี้ก็ดีแล้วนะดีไ้มถ้าใครนับถือพุทธโทรจริงๆเอาอย่างจริงๆอย่างแก่กเลยนะเป็นพระโสดาบันจะได้ไงนะเอาอย่างแก่ก็หมาความพระพุท ธ, ธโทใหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระธรรม พระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมจึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระสงฆ์จะมีก็ไม่ได้อาศัยพระธรรมก็การฟังธรรมยังมีพระสงค์ฉะนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าองเดียวถือว่านึกถึงพระเจ้าโดยพระธรรมโดยพระสงค์ด้วยครอบใจสนาคมถ้าเรามีความเคารพจริงๆถ้าจิตมีสมาธิจริงๆความจําเป็นเรื่องทําบาปมันก็น้อยลงก็อะไรมไหม ว่าถ้าเราทําบาปเมื่อไรจิตจะเสื่อ <c> ม <oughs> ถ้าพวกได้ทิพยานจะสเสกงา่ายวันไหนทําบาปวันนั้นทิุญานฟางไปฟ้าไปมอง ม, องมาไว้ชัดถ้าทําบาปหนักหรือจะมืดไปเจ็ดแปวันถ้าวันไหนเราไม่ทําบาปจิตจะมีสภาพผ่องใสไม่เกกงา่ายนะ ถ้าไม่ได้ไม่ได้คิกคุยใหญ่จรู้สึกว่าถ้าเราทําบาตจิตทีมีความวุ่นวายที่อารมณสุขยังมีน้อยถ้าคนที่ได้ชาญจริงๆจะทําบาตยากที่ทําง่ายก็มีนะใช่ไอ้ที่เขาง่ายก็มีกินเหล้าไปด้วยทำภาวนาไปด้วยได้ทัสองอย่างจะได้ทังสองอย่างวเวลาจะตายถ้าเล่ามาก่อนลงนรกไป ถ้าภาวนามาก่อนไปสวรรค์อดัมได้ญาติโยมพุทธวันสัตว์ทุกท่านหมดเวลาวันนี้ติดติดปะระปะก็ได้เวลาก็เลิกกันตอน่อไป